โอากาสนี้คุณดาท่านพระุวริศัตย์ในพายกานสมาทานพระรัชนาจัยแล้วตอนนี้ไปก็เป็นโอากาสที่จะสดับคำแนะนำในการเจริญสมาทานสำหรับวันนี้ก็จะได้พูดถึงพระยาคารมิมักต่อ เมื่อวานนี้เราได้พูดกันถึงการระงับหรือตัดอารมณ์ของราคะในกรรมบัชันะ์ด้วยความพอใจในกรมการที่จะทำลายกรรมบัชันทะได้ต้องอาศัยเหตุสมรรค ก, การร่วมกันในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสมถะภาวนาก็ต้องใช้กายิกิานุสติ พิจารณาร่างกายเป็นอาการสาริสองโบกบกรรมสุภกรรมฐานเป็นว่าร่างกายเราก็ดีร่างกายขอเขาคนเองก็ดีมีแต่ความสกปรปกเป็นของไม่น่ารักเป็นที่น่ารังเกียจนี่เป็นด้านสมถะภาวนาถ้าด้านาวิปัสสนาภาวนาเขาโบกเข้ามา เห็่าร่างกายนอกจากจะเป็นของสกปรกเป็นของไม่น่ารักเป็นของที่น่าดังเกียดแล้วรานก็เป็นปัจจัยของความไม่เที่ยงเพราะตัวมันไม่เที่ยงเพราะอะไรมีความเคยแค่ในเบื้องต้นแล้วก็เสื่อมไปแปรรูปมันแปรรวปไปเป็นปกติอยู่เสมอร่อยหัวไปทุกวันอะไรสุดจะมีการสลายตัว การที่เอาจิตเข้ายึดร่างกายเป็นของสะอาดร่างกายเป็นของสวยร่างกายเป็นเราเป็นคนเราเป็นปัจจัยของความทุกข์เราะว่าสภาวะของร่างกายมันสกปรกสภาวะของร่างกายเป็นของไม่เที่ยงสภาวะของร่างกายเป็นการสลายตัวเป็นนรกสุด ปันหาสภาพที่เป็นเราเป็นคนเราไม่ได้ร่างกายคือธาตุสี่แล้วก็ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟรวมกันเข้าเป็นตัวแล้วก็มีอากาศเชื่อธาตุบรรจุช่องว่ามีวิญญาณธาตุรับรู้ในการสัมผัสเป็นเรือนร่างที่อาศัยพ้นจริ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 ถ้าหากว่าเราเห็นว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าเราสภาวะร่างกายเป็นของสุขอกจิตก็ตกจิตก็ตัดจากการมาัทฐานะความพอใจในเทศได้นี่เราพูดกันเป็นคำแนะนำเป็นแนวทางเท่านั้นต้องใช้ปัญญาที่เจรินายให้เข้าถึงความจริงยาจักระบอกฟังฟังแล้วก็ปล่อยให้เลยไป จิตก็เราที่อยู่วาจาก็เราที่เสียกายก็เราที่ไม่สมหลวงก็เพราะสายจิตไม่ดีไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่สัญญาปัญญาจําไม่แค่นี้ทําจิตให้เป็นสมาธิปัญญามาเกิดปัญญาเขาจะละเห็นเห็นคนอะไรเห็นสัตว์อะไรมีความรู้สึกทันที ว่าส่วนในร่างกายของคนแลสัตว์ทั้งหมดเต็มไปด้วยความสกปรกความผูกพันความกระสัญญนอย่ากันได้กว่าจะหลาจะสัมผัสไม่มีในจิตให้จิตมันทรงคุสภาพเช่นนี้เห็นคนไม่ได้เห็นซากศพเห็นคนม่ได้เห็นของเน่าเฟือยเห็นคนทำไมไม่เห็นตัวว่าสิ่งที่เขาบรรจุอุจาระปัสวะไวเ้เต็ม เท่าน <f dragging> ี้ติดก็จะมีความมาเกียเมื่อมันเป็นของสกกระโปกมันก็เป็นของไม่เที่ยงมี่อนักตาจะสลายตัวเป็นที่สุดจิตก็มายึดมั่นถือมั่นไม่ผลกปันในรูปกายใดๆทั้งหมดที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตจะไม่มีชีวิตตัวตามเห็นมันไม่เป็นสาระเห็นมันหนึ่งเป็นกัญชาลมันมีแตยความสกกระโปก เรื aunt ie, aunt ie. ่องพันดัชที่แต่งกลายเป็นของหลอกลวงไม่ใช่มีอะไรดีผ้าพรนท้องสบายหามันแ้อย่างดีสีสดสวยเดี๋ยวก็สุปรกผ้าอันเรียงเล็กก็สะอาดมันก็สกตกก่อนที่จะใช้ก่อนที่จะใช้จะสวมกายก็ต้องําระล้างสวมแล้วก็จะเก็บจะใช้ใหม่ก็ต้องซักต้องซักต้องผอกนี่แดงว่ามันสกปรก เครื่องอรรต่างๆก็คอยปัดคยสีผัดเกลา์ทำลายสิ่งสกปรกอยู่เสมอนี่อะไรมันจะขอสะอาดเป็นอนุวัตุคนดีสิ่งที่มีชีวิตดีมันก็ขอไม่สะอาดทั้งหมดอีกคิดอย่างนี้ให้มันเป็นปกติอิกมันจะใัดความรักเป็นได้ไอความรักที่มันเกิดเราเข้าใจว่ามันดีเข้าใจว่ามันสวยเข้าใจว่ามันสะอาด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 เพราะต้องดูตัวไว้เสมอว่าเรามีจุดตกต้องตรงไหนอย่าปล่อยให้กิเลสมันล้นจากใจถ้าจะเลวก็เลยอยู่แค่ในใจความรักเที่เพิ่งเกิดขึ้นในเพศก็ไม่อยู่แค่ใจอย่ามันไหลมาทางตาย่าใมันไหลมาทางปากอย่มันไหลมาทางกายอย่างนี้เรียกว่าขังรักเพียงแค่แปลงกลังของสมาธิเป็นสมถะภาวนา แต่ทาลายอารมณ์รักภายในใจเึ้นได้ีเป็นอารมณ์ของมิปั ส, สนาญายานเขาทำกับมมนี้นะมีอารมณ์ให้ทรงอยู่เป็นปกติความมีระเบียบอินัยเป็นขอสงสาคัญคนที่เลวย่อมไม่รักษาระเบียบอินัยไม่จำคำสั่งระดซสอน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 ที่กล่าวอย่างนี้ไม่เฉลยาเป็นการแนะนำตามที่เขาปฏิบัติกันมาเขาทำกันอย่างนี้อัศนาโชติยาตาลัง <c oughs> ยุ่งกล่าวโทษจดความผิดของตัวไว้เสมอจาไปยุ่งกับคนอื่นคตินี้นักปฏิบัติทุกคนขเขาจะประ น, นามตัวเองเขาไว้เสมออารมณ์เป็นยุ่งอยู่กับการมาราคะนิดหนึ่งวันนี้เราพูดกันเรื่องการมาราคะ เขาจะปาเป็นนามวันเร็วทันทีขออะไรก็ดีจะชมมาสวยชมมางามารู้สึกกมารเขาจะรู้สึกว่าใจมีเราเลวสชราลิบนี่แค่นี้เขาจะมีเราแล้วเขาจะมีตัวเขาแล้วแล้วยิ่งไปเพ่งโทษของบุคคลอื่นไปแสดงอารมณ์อิจฉาและสัญญาบุคคลอื่นทําให้บุคคลนี้รับเกาล้อเลาร้อน นั่งจินแสดงว่าทีเรตมันไหลมาทางกายและทางวาจามันล้นจากใจมันเร็วเกินที่จะเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่เราต้องบรรนามอย่างนี้แล้วทางนี้ไปจะไปไหนเป็นสัตย์ใจฉันก็ยังเป็นไม่ได้ต้องไปขึ้นต้นมาจากไตรกมันไม่เหมาะสำหรับเรานี่เราต้องบรนนา m ตัวเป็นปกติอยาที่บรรนามของอื่นเขา เรื่อราวต่างๆที่มันมีความทุกข์มีความเดือดร้อนก็เพราะความเร็วของจิตเราขาดการสํารวมเราขาดการระมัดนระวังให้การที่ทําความช่วยเกิดทำความเดือดร้อนให้เกิดประเทืนี้มันเป็นวิสัยของท่านโลลุธาอยู่ที่ว่าเทวทัตไม่ใช่ของคนปกติธรรมดาและไม่ใช่ของพร ะ, พะที่เป็นแสงกจบุตรพุทธมี่นองรถ อันนี้จะต้องจดจำไว้เสมอจําไว้จําแล้วก็จงอย่าทําความเร็วจงอย่าทิ้ความเร็วนี่เป็นเรื่องของอนาาาอางอนาคามีมรรคข้อแรกมาถึงอนนาคามีมรรคข้อที่สองตรงนี้ท่านบอกว่าตัดปฏิฆะคําว่าปฏิฆะนี่มั น, นหมายถึงความโกรธความพิยบยัต เรื่องความโกรธความพยายบาตัตินั้นเป็นเรื่องของวสกิทาคามีที่เบรเดาบรรเทาความโกรธบรรเทาความพยายมบาตคิดให้อภัยทานความโกรธเกิดขึ้นความพยาบัติจองล้างจองผ่านจองเวรจองกรรมเกิดขึ้นรู้สึกตัวขึ้นมาคิดให้อภัยแก่บุคคลผู้ทำความผิด ให้อภัยต่กคนที่ว่าเราให้อภัยกับคนที่ด่าเราให้อภัยกต่กคนที่แกล้งแกร้เราอารมณ์จิตก็มีความสุขสำหรับข้านาคามีพระพุทธเจ้าไม่ทรงจัดว่าตั ด, ต, ดตัดความโกรธความเยี่ยมบัตรให้ตัดปฏิภะปัติภะคืออารมณ์ที่ไม่พอใจเข้ามากระทบจิตอารมณ์ใดก็ตาม ที่คนก็หาทางแงแ้งรในทางกายบ้างสแสดงในทางกายบ้างสแสดงในทางวาจาบ้างสแสดงในทางนิมิตบ้างอันเป็นที่ไม่ชอบใจเราทางวาจาก็ได้แก่ลิขาว่าร้ายเสียสีต่างๆทางกายก็จได้แก่การประทุษร้ายร่างกายบ้างสแสดงการออกทางร่างกายว่างบ้างไปเรเ็ว นีว่าแสดงในนิดต่างๆที่การเขียนหน้าสีทำรูปรูปลักษณะเปรียบเทียบยานี้เป็นต้นเป็นที่ไม่ชอบใจเราคำว่าไม่ชอบอาการทั้งหมดนิดหนึ่งในลมเพราะวนาคามมีจะไม่มีเลยไม่ถึงไม่ถึงกับโกรธไม่ใช่ถึงกับโกรธแาาต่อ่านาคาตัดอารมณ์ที่ไม่พอใจ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 ไม่ถือว่าเป็นปฏิฆาในขอน้อนี้รูอวิสุสธมนเนรไม่มีศีราจารวัตก็เป็นสัตว์ในนรกเสียแล้วนี่เรื่องอะไรที่เราเป็นผู้มีศีราจารวัดจะไปพบหาสมาคมด้วยนี่ไม่ใช่น่ายความโกรธคนยมบาทฝ้าสายฟังพรารกในธรรมตอนนี้สาหรับรา น, นายคามีตัดปฏิฆะคืออารมณ์ที่เข้ามากระทบจิต ก็เบเพื่อความไม่พอใจให้ตัวแรกแตัดกรรมฉันทะอารมณ์ที่พอใจอยากจะได้เข้ามาตัวปฏิทะอารมณ์ที่ไม่พอใจเข้ากระทบทําใจให้เราร้อนนี่การที่จะตัดปฏิะทะเันอย่างไงเราก็รวบรวมกําลังพอ ม, มีหนนันสิทักอภัยทานแล้วเอง ความจริงพมีหันสี่นี้เรามีกันมาตั้งแต่เริ่มต้นเจริญกรรมฐานก่อนการที่นักปฏิบัติสมถกรรมฐานมิปเสนากรรมฐานจะมีความดีทรงตัวยืนได้ก็เพราะสายพมีหันสี่นักปฏิบัติจริงๆขั้นเลวที่สุดถ้ามีพอมีหันสี่มีพวกเรามีใคมมรบ้างไหม ในอดีตใกล้ก็ดีไกลก็ดีที่ขาดเขามาวิหันศมีอารมณ์คิดเป็นศัตรูกับคนอื่นคิดทำลายล้างบุคคลอื่นคิดอิจฉาหรสิยาบุคคอื่นแล้วคิดลงโทษนี่เร า, าคิดั้นเติมในความผิดขาบคคอื่นมีบ้างัห แนอดิบเริ่มตั้งแต่ย้าเข้ามาสู่สนักนี้้ารมจุดไหนมีตั้งบ้างาถ้ามีอยู่ไม่รู้ตัวว่ามีนี่เหลวมากหมายถึงว่าเป็นที่ไปหาเวจีมหานรกถ้าขณะใดเรารู้อยู่ว่ามีในการนั้นถึงรู้ว่านี่เราเป็นสัตว์นรกเสียแล้วไม่ใช่แดงข้ออริยะหรือไม่ได้ชินแดขนขนะ้สวรรค ไม่เห็นแดงเขาก็าสงในพระพุทธศาสนานี่ความจริงพระมีหางสีนี้เราศึกษากันตั้งแต่ต้นถ้าไม่มีในใจก็สแสดงว่าเลวเกินไปสำหรับความเป็นมนุษย์ใม้ันเลวเกินไปที่จะต้องเกิดเป็นสัตว์แต่สุรกายและเป็นเปรตช่วงที่อยู่เคืือเวจีมาหามรรก เตือนใจเตือนตัวให้รู้ตัวไวความเร็วประเภทนี้ไม่มีสังคมใดเขาต้องการมีความรู้สึกอย่างนี้ต้องมีอยู่กับเราเสมอถ้าเรามีเราแค่เพอมีหางสีเราก็จนเ่าทราบว่านี่เรายังเร็วมากเกินไปเพราะอะไรก็มีหางสียันดับต่ำแล้วก็มีสิทธิแค่เกิดเป็นมนุษย์เท่านั้น ถ้าพอมีหานสี่อันดับกลางหมายควาว่ามีอดีตไอเจ้าจิตทรงตัวมีความมั่นคงกระชับในความรักคนและสัตว์เสมอด้วยเราถ้าเรารักเขาเนี่ยเราไม่สามารถจะไปว่าเขาจะไปติเขาจะไปเสียชีเขาจะไปแต่งแก้กงเขาอันนี้ไม่มีคนที่เรารักเราก็มีมุติตาข่าวของศารเมื่อเราไม่ไม่แต่งแก้กงไม่เสียสีไม่มีความไ ม, ไม่ไม่คิดทำลาย มีความรักก็มีจิตเกื้อคูนจะสงเคราะห์มีความสุขอารมณ์ใดที่มีความบกพร่องอยู่ไอคิดใดที่เขาบกพร่องเราเกื้อคูนให้มันเต็มึ้นมาไม่ใช่กล่าวว่าเจ้าเสพสีเสพสีแลากาันไม่ดีวงกับข้าวกับปลาวงไหนมีอาหารไม่สมบูรณ์บกพรองไปเราเกื้อคุนด้วยอาหารสิอาการอย่างใดที่เขาบกพร่อง กิจการใดที่เขาปกครองไม่สามารถจะทำได้และช่วยในกิจกันนั้นความรู้ใดที่เขาปกร่องที่ไม่สามารถจะมีได้เราแนะนำารื้อเมตาจิตไม่ใช่เอาลงความเร็วสาาร้างความขมขู่เข้าไปใช้แล้วก็มีเบตาความวางเฉยในอาการที่ปรากฏเชี่กับจิตอันเป็นโทษแห่งทางทุก หมายความใครเขาด่าเขาว่าเขาขีดเตียนคิว่าช่างมันอารมณ์สบายอารมณ์อย่างนี้ยังไม่ใช่ปัจจัยของว่านราทามีถ้าลงคําว่าช่างมันได้ก็เป็นปัจจัยของพรห ม, มโลกนี่พรหมฐานสีที่เราเจะส่งมาตั้งตะเล็กก็้งแต่น้อยจนเริ่มต้น ถ้ามีความมั่นคงอย่างนี้จิตมีความรักมีความเมตตาปราณีอีกชุ่งคิดในความสงสารปรารถนาในการส ง, สงเคราะห์ไม่ช้าที่สิยาใครวางเฉยไม่กดพุ่งกรรมเข้ามาถึงกายกระทบกระตั้งเข้ามาถึงอย่างนี้เป็นอารมณ์ของลมได้ก็ถ้ายะกล่าวกันไปก็อยู่ในขั้นของพระสโสดาบัน มีคนมีอ่านสี่ที่เมีอรมและเียดจริงกว่านั้นก็ได้แต่มีความรักมากขึ้นทุสานมากขึ้นหวังดีมากขึ้นมีอารมณ์วางเฉยไม่วันไหวมากขึ้นเป็นอภัยทานใครทำความผิดแต่ใดมีความโกรธเกิด ข, ขึ้นกระทบกระตั้งจิตใจรู้สึกตัวขึ้นมาได้ว่าอ๋อนี่ควรให้อภัยเขา เขาทำไปได้อหน้าชิเลตันหนาาว่าทานะศสุนกรรมบังคับเราไม่น่าจะโกรธให้ใครจะบุคคลกมตตาความผิดนี่เป็นปัจจัยของพระอนาคามีพระพัฒน์สิทธาคา ม, มีี่นี่มาพระอนาคา ม, มีทำยังไงเร่งรัดบริหันสี่ทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุเบกขาตัวสำคัญที่สุด สรงอารมณ์จิตให้มันร่วมกับสังขารโลกเกทขายานที่ประสานยานตัวสุดท้ายมีอารมณ์ร่วมกันสังขารโลกเกทายานมีความเฉยในขันท่าหมายความว่าขันท้ามันมีสภาพอย่างไรรู้อยู ए, ่แล้ว มันไม่มีความเกิดขึ้นมัน ม, มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีอนัตตามีการสลายตัวไปในที่สุดหางเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดารูปกระทำทั้งหมดความมีลาบเสียมลาบมียศเสีมยสมยศเป็นทาตุเสียงทุกทุกรู้ตัวอยู่เสมอว่าช่างมันมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันมันจะแก่ก็ชินแก่สิ มันเจะป่วยก็เชิญป่วยมันจะตายก็เชิญตายของที่จะบ่ายเขารักก็หวงแหนมันพังกันหลายตัวโลงยากตายพ่อตายแม่ตายพี่ตายน้องตายคนรักตายควารักสูญหายชยบายก็เสียใจเราเฉยที่ว่านี่เป็เรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องที่จะต้องแก้ไขงันได้ไปห้ามปรามไม่ได้แก้ไขไม่ได้ เรื่องอะไรที่เขปเสียใจหรืกระทบใจในรมวางเฉยมี่จิตสดชื่นในปกติถือว่านี่เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้า ส, สอนตรงแล้วตรงที่พระพุทธเจ้าสอนว่าของที่มันเป็นไปตามนี้ในรมวาจาที่เขากล่าวให้นเป็นที่ไม่พอใจยินทาเกิดขึ้นเราคิดไม่ได้หรอกเล นายอยากปากเสียก็เสียไปฉันไม่ยอมเสียกับนายด้วยคําั้งหลายเกิดขึ้นไม่สนใจถือว่าถ้อยําประเภทนี้ก็หลอกให้เราเป็นทาสเราไม่เอาจะไม่โสดไม่โสดทั้งคนโดนเสรนอและไม่โสดคนอินทาและก็ไม่ดีใจในคำโดนเสรนอถือ ว, าว่าเป็นเรื่องเหลวไหลลาบเกิดขึ้นถือว่าไม่ใช่มันก็หมด คนที่ร่ำรวมยมากาตายแล้วไปไหนไม่ได้รับเสื่อมเสลายตัวไปมันหุ่ไปเพราะว่าเราต้องใช้้องสอยเงินใดๆเกิดขึ้ก็ตามเรื่องธรรมดาชา บ, บ้านเขาหมดมาเราเคยหมดไปแล้วเคยหม า, ยามานได้มากกว่านี้หมดมากกว่านี้ก็เห็นเป็นไรแต่ชา บ, บ้านเขาหมดมากกว่าเราก็กมีเยอะๆไปมันขอปกติธรรมดเาเราก็เฉย นี่รวมความว่าใช้สังขารลเปีท่ายานเฉยถ้าอาการที่ถ้ามากระทบกระทา่งจิตในได้ก็โลภีใส่ไม่เฉยทั้งคำชมเฉยทั้งคำวินทาเฉยทั้งได้มาเฉยทั้งเสื่อมไปเฉยหมดไม่มีอะไรสนใจคำนินทาว่าอะไรเกิดขึนกระทบใจตัดบห่อยจบไปเลย จะไปช่างมันถ้าไม่อยู่อารมณ์ต่างอาการทางกานี้เกิดกับร่างกายจะป่วยไข้ามาเสื่อมไปมันจะแก่มันจะตายช่างมันแต่การรักษาพยาบาลการบริหาร่างกายเป็นของธรรมาดาคิอว่าทำํทำตามปกติถ้าเขาจะถามว่าถ้าทําจิตได้อย่างนี้ยังภพวิรีไม่ยังกินมากไหมยังจะต้องใช้ของที่เคยใช้กับร่างกายไหม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 แค่ขนาใดที่ยังใสเรียรอยู่ม่อ น, น้ำมันรั่วก็มาแล้วก็ต้องอุดมันผุตรงไหนก็ต้องฉนุโมโรซ่อมแซมไม่แค่ปล่อยให้มันรั่วให้มันพังไปซึ่งกว่าเราจะขึ้นฝั่งได้เนี่ยรมใจแค่นี้กิเลสมันยังไม่หมดปรากฏว่ามันหมดอยแค่ห้าสิบเปอร์เซนเท่านั้นเราว่าอันนี้ถ้าทำได้ทั้งหมด ตัดกรมมาชันพักได้เด็ดขาดตัดปีติคัดได้เด็ดขาดจึงจะเป็นว่านาคามีผลยังไม่ถึงเวลาจกคนเพราะท่านหลายๆยังทบทวนกําลังใจไม่ดีมันไปขอไม่ยากตอนนี้ไปเขาทุกท่านแต่งกายให้โง่ดำรงจิตให้มันกําหนดรูดล้ลมไม่ใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัายเทก ว, วาจะดีว้นญาณบอกหมดเวลา